1ิบเก้าความแตกต่างของผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติวงเล็บเปิดหนึ่งยีพฤศจิกายน25หในวงเล็บสองจุดจุดนาที64วงเล็บปิดถ้ารู้ความโกรธความโกรธเกิดขึ้นพอเรามีสติรู้มันก็หายเลยไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่ถึงไม่มีสตินะก็หายเหมือนกันเพราะอะไรเพราะความโกรธก็ไม่เที่ยงไม่มีใครหลอกโกรธได้ตลอดปี แต่ถ้าเรารอให้ความโกรธหายเองเราก็ไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาปุ๊บเราเห็นความโกรธที่กําลังเกิดอยู่ขาดแวบไปเราเห็นมันเกิดแล้วดับอย่างนี้เราได้ปัญญาคนทั่วๆไปนี่ความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับเหมือนกันโดยตัวของมันเองเพราะมันไม่เที่ยงแต่ว่าผู้เป็นเจ้าของความโกรธนั้นไม่ได้ปัญญาขึ้นมา การที่เรามีสติเราเห็นความโกรธมันจะมาเราก็ห้ามไม่ได้มันจะดับไปเราก็ไม่ได้สั่งมันดับของมันเองเราก็ได้ปัญญาเรารู้ว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่ความต่างกันของผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติต่างกันแค่นี้เองไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่โกรธโกรธเหมือนกันตอนแรกที่โกรธอยู่นี่จิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าโกรธจิตเป็นกุศลขึ้นมา ความโกรธก็ขาดไปเหมือนมีช่องว่างมาขั้นอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วเหตุของความโกรธยังอยู่มันคิดขึ้นมาใหม่มันก็โกรธขึ้นใหม่งานของเรามีนิดเดียวความรู้สึกใดกําลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆเอาปัจจุบัน 2. ผู้ไม่ได้ปฏิบัติถ้าคิดก็จะรู้เรื่องที่คิดแต่ผู้ปฏิบัติเมื่อคิดจะรู้ว่าจิตลงไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิด ผู้ไม่ได้ปฏิบัติถ้าโกรธผู้อื่นจะดูคนที่เราโกรธแต่ผู้ปฏิบัติจะตามรู้ทันจิตเมื่อโกรธจะมาดูจิตตัวเองผู้ไม่ได้ปฏิบัติเมื่อจิตกระทบอารมณ์ก็จะกระเทือนแต่ไม่รู้ผู้ปฏิบัติเมื่อจิตกระทบอารมณ์ก็จะกระเทือนตามธรรมดาแต่คอยตามรู้จิตใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่ดัดแปลงการกระทบและกระเทือน